นังคูบันลังตั้งกายตรง ้อาดำรงสติเฉพาะหน้าน้อมจิตรู้เข้ามาอยู่ที่นิมิต ระเียบลมหายใจเหมือนน้าที่ไหลในลำธาร น, นี่มิตรนี่เป็นเหมือนตลิง่งตัวผู้รู้ก็คือจิตผู้รู้เหมือนตัวเราที่ยืนอยู่บนริมตลิง่งแล้วก็รู้แล้วก็ดูน้ําที่ไหลในลำธารนิน่ง เหมือนกับตัวรู้ที่คอยรู้ลมที่กระทบนิ่งๆไม่จมไม่เพ่งไม่จ้องจนเกินไปจนตึงจนทำให้ตัวรู้จมลงไปกับลมจนทำให้ตัวรู้จมลงไปกับนิมิตแต่ให้ตัวรู้เ็าตั้ง นิ่งๆและคอยจำเรืองรู้แต่รู้เบาๆที่ลมที่เป็นโผตพารณมวิธีที่ให้ก็แตะได้เบาๆขนาดนั้นก็คือว่าหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจว่าตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่กระทบไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตรู้ที่คอยรู้ลมที่กระทบที่ไหลออกนั้น จากนั้นก็รู้ลมหายใจเข้าที่กระทบนิ่งๆอยู่ที่เดียวหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ถ้าจิตรู้หลุดออกไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามไหลไปกับอารมณ์มันใดก็ตามไม่ต้องทำอะไรมากแค่รู้ว่าเขาหลุดออกไป ก็กลับมาสู่ลมที่กระทบ ตั้งกายให้ตรงตัวรู้จะประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะระลึกกดตรงก็ไปสู่โพธารณ์สู่ลมที่กระทบตัวสัมปชัญญะก็รู้คลออยู่กับการกระทบนั้น ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออกพอหายใจเข้าก็ระลึกตรงเข้าไปสู่ลมที่กระทบตัวรู้ก็รู้คลออยู่กับลมที่กระทบหายใจเข้านั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจเข้าแล้วก็ความรู้ <c oughs> แม้บางครั้งเราบังคับลมให้มันยาวหรือบางทีให้มันสั้น แต่เราไม่ใส่ใจการบังคับแต่ว่าใส่ใจลงไปสู่ลมที่กระทบเท่านั้น กิจของเราคือการใส่ใจต่อลมที่กระทบนะอะไรอื่นที่เกิดขึ้นตัวรู้จะทําหน้าที่แค่รู้และปล่อยไปแค่รู้และปล่อยไปแล้วก็ใส่ใจลมที่กระทบนั่นคือกิจลมกระทบมันยาวก็รู้ลมกระทบมันสั้นก็รู้เรียบเรียบ ไม่จ่องจนเกินไปไม่เพ่งจนเกินไปไม่บังคับจนเกินไปพอสบายสบายรู้ไป ถ้ามันง่วงก็ยืดตัวให้ตรงเราใส่หน้ากากบางครั้งมันเกิดความรู้สึกร้อนเวลาเราหายใจออกลมมันไปตีกับหน้ากากแล้วมันเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาตอนหายใจออกเราก็ไม่ใส่ใจ ไอรอนนะใส่ใจลมที่กระทบ ถ้าใจมันหลุดออกไปคิดเรื่องอะไรก็ตามอย่าเข้าไปปรุงอย่าเข้าไปแช่แค่รู้ว่าจิตมันหลุดออกไปแล้วก็กลับมารู้ลมที่เป็นลมกระทบพอรู้ลมกระทบต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนลมมันสหบปราณีตตัวรู้ก็จะสงบปราณีต ด, ด้วย กายก็จะนิ่งลมจะสับประณิดแล้วค่อยๆค่อยๆสั้นลงจะรู้สึกว่าลมที่กระทบนั้นมันสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปตกใจก็แค่รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละมันสั้นลงไปเท่าไรก็รู้เท่านั้น จนแม่บางครั้งมันสั้นตื้ดเดียวก็รู้เท่านั้น อยากเข้าไปจัดการใดๆนะทำหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองเราไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องใช้ความคิดเข้าไปแทรกแซงอะไรปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามความเป็นจริงตัวรู้ก็รู้ลมที่กระทบไปเรื่อยๆสิ่งใดเกิดก็รู้ว่ามันเกิดสิ่งใดดับก็รู้ว่ามันดับเท่านั้นเรามีหน้าที่แค่นั้นไม่ต้องไปแทรกแซงส่วนใดๆ กิตที่รู้ลมให้เขาบริสุทธิ์ในขณะที่ลมกระทบลมออกกระทบรู้ถ้าจิตมันไปนคำหนึง่งถึงลมที่ยังไม่กระทบหรือมันไปนคำหนึ่งที่ลมที่ออกไปแล้วก็ให้รู้ว่าอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่กิตกิตคือรู้ลมที่กระทบในขณะที่เป็นปัจจุบัน ตัวรู้แตะกับลมที่กระทบทั้งสองอย่างนี้คือปัจจุบันแท่ลมที่กระทบที่จิตรู้เขารู้สึกได้นั้นลมนั้นเป็นปัจจุบันนาการตัวรู้ที่แตะลมกระทบเป็นปัจจุบั น, นธรรมสองอย่างนี้นะเรียกว่าปัจจุบันแท่ก็เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ต่อเนื่องไปจะทําให้สติบริสุทธิ์จะทําให้ ความตั้งมั่นบริสุทธิ์ความตั้งมั่นที่บริสุทธิ์อย่างมีสตินี่แหละเรียกว่าส ah ุสมาหิตะหายใจออกรู้ลมที่กระทบหายใจเข้ารู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอมันเกิดความเจ็บความปวด อยู่ณส่วนใดๆก็ตามต้องกล้าหารพอที่จะไม่ขยับเอาจิตดูเข้าไปเพียงแค่รู้แล้วก็ปล่อยวางไว้ทําในใจแบบธรรมนัสสการในใจไว้เลยว่าปวดนี้เกิดขึ้นที่กายถ้าปวดที่ข้อเท้าก็ปวดนี้มันเกิดที่ข้อเท้ามันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเรามันมีเหตุปัจจัยให้เกิด มันเกิดที่ข้อเท้าก็วางไว้ที่ข้อเท้าแล้วก็ยกจิตเข้ามาเพื่อรู้ลมที่กระทบความกล้าหาญในการไม่ขยับจิตจะเกิดธรรมะข้อหนึ่งชื่อว่าขันติคือความอดทนเกิดขึ้นบ่อยๆมันจะสะสมเป็นตบะ เป็นตะปะอารมีขันติบารมีขึ้นที่จิตการนั่งภาวนาก็จะได้นานเข้าต่อเนื่องเข้าอำนาจของเวทนาก็จะเบาลงไม่สามารถทำร้ายตัวรู้ได้ตัวนิวรก็จะสะบบะรำหับลงขณะที่จิตรู้ ตรงต่อสิ่งที่ถูกรู้คือลมที่กระทบตัวนิวรนก็จะระหับลงจิตรู้หลุดออกจากลมที่กระทบเมื่อใดนิวรนก็จะเข้ามายึดกลุ่มเกาะกลุ่มจิตทันที Thank mm -hmm. you. เวลาพอสมควรขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกค่อยๆยกดิ้วมือขวาวางไว้ที่ขกข้างขวาขยับนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกค่อยยกมือซ้ายไปช้าๆวางไว้ที่ขกข้างซ้าย น้อมจิตผู้รู้มาไว้ที่ใบหน้ารู้เฉพาะหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็ประหกหน้านิดหนึ่งออกจากสมาธิก็ค้นมโบทนากับบัลลังก์ที่สองฮะ อีกขึชัยมาไหมบขอบอกอีกสสามวันนี้ฝนจะตกใช่ไหมสิบสามถึงสสบวถึงสิบเก้า ตกจริงหรือเปล่าเกิดมรสุมพาดผ่านจากตะเลอันดำมันที่มาาสมุรินเดียแล้วก็อ่าวไทยในวันก่อนก็มีแผ่นดินไว้ที่กลางเกาะในมาาสมุรินเดีย พักนี้ธรรมชาติก็เริ่มส่งประกายมาเรื่อยๆเราจะให้ชีวิตเรารอวันหายนะโด้วยภัยของธรรมชาติไม่ได้นะต้องใช้ขณะที่มีชีวิตในปัจจุบันรู้ตัวอยู่เนี่ยเพียรภาวนาให้มากประมาทไม่ได้คิดแต่เรื่อง สวยงามปลอดภยัยไร้โรคคิดอยู่อย่างเดียวคิดในเรื่องพวกนี้คิดบวกกับตัวเองตลอดไอ้สุดท้ายมันสวยงามก็ไม่จริงไร้โรค ก, ก็ไม่จริงแข็งแรงก็ไม่จริงไอ้พวกที่ว่าหอมงอมเดินกระเปิดกระเปิดอยู่มาจากแข็งแรงพวกที่ขี้เร่้เร่หรือมา ก, ก็มาจากสวยๆทั้งนั้นะ <laughs> พวกที่ลำบากลำบากนอนติดเตียงอยู่ส่วนมากมาจากรายโรคนั้นะไม่ใช่เรื่องจริงไปมองมุมปรารถนาอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้หรอกแล้วก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ระวังจะไปปลัดวันประกันพุ่งรอวันว่าเดี๋ยวให้แกกว่านี้อีกหน่อยเอาจริงแล้ว <c oughs> ชราชัดชริตาโหติหัตตาปาราอนัสวาร่างกายนี้มัอนคลำคล้าไปด้วยโชคเรื่องชราหัตตาปาราอนัสวาพอถึงตอนนั้นมือไม้แขนขามันไม่ว่าไม่กวังแล้วเราบอกให้ไปข้างหน้ามันก็จะไปข้างหลัง เราบอกให้ยืนมันจะนั่งเกะมือไม้เกนขามันก็ว่าไม่ฟังท่าโบอาวิหัตท้าโมเรียวแรงก็ถูกกาจัดกาตังธรรมังจะริสสติถึงตอนนั้นจะประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างไรมันรอไม่ได้มันต้องเอาตอนนี้เลย ตอนนี้สี่สิบปีหน้าก็สี่หนึ่ง้ตอนนี้ห้าสิบปีหน้าก็ห้าหนึ่งปีนี้หกสิบปีหน้าก็หกหนึ่งพอพอห้าสิบบวกเนี่ยมันมาแบบกระทันหันเลยนะมารายวันเลยพอตัวเลขเข้าถึงห้าสิบนะมันจะมารายวันหอหอหอหอ แล้วก็เหี่ยวหอหอหอ ห, อหอแล้วก็เหี่ยวพอห้าสิบบวกไปเป็นรายวันแล้วก็อะไรก็ยังไม่ได้เอาไม่อยู่จริงพอหกสิบนะเห็นฉันเลยใช่ไหมหกสิบอรับหกสิบนี่จะมารายชั่วโมงเลยทีนี้ฮะหกสิบจะมารายชั่วโมง ห้าสิบนี่จะมารายวันอยู่พอหกสิบนี่มารายชั่วโมงเลยพอเจ็ดสิบนี่เหมือนเหมือนเนี่ยบุรุษร่างกายกำยำถือดาบเล่มใหญ่ในชีวิตเราหนะ้าขนาดนั้นก็เหมือนกับคนยืนถือหมอ้อหม้อน้ำที่น้ำเต็มเปี่ยมนะน้ำปิ่มเลยนะแล้วยืนถืออย่างเนี้ยแล้วก็ ไอ้คนคนนั้นเป็นคนที่ชอบชอบมาโหดรสบชอบดูน่นชมนี่แล้วเดินไปบนถนนถือหม้อน้ําเต็มเปี่ยมอย่างเงี้ยนี่เขาสเจ็ดสิบนะถือหม้อน้ําเต็มเปี่ยมเนี่ยและไอ้คนหนึ่งมัน ก, ก็ยืนอยู่ข้างหลังแขนกำยำโจงถือดาบเบล่มเบลลเลยมีดเหื่อยอย่างเงี้ยน้ํำหกหยดลงมาจากหม้อแม้แต่หยดเดียวมันบังคอทันทีเลยและเรา ไอ้ข้าซ้ายนี่ก็ดนตรีขขวานี่ก็วงดนตรีที่ตัวเองชอบชอบนั่นนะดูก็ไม่ได้ต้องประคองย้ายน้ำมันหกอะ่ะเดินไปนี่พวกเจ็ดสิบน้ำน้ำเต็มปิ่มเนี่ยหยดลงมาหยดเดียวคอขาดก็ต้องคองประคองประคองพอถึงเจ็ดสิบยังรอดอยู่นะไอ้นั่นมันไม่บันคอนะพอไปถึงแปดสิบ เหมือนเดินไต่ยอยู่บนเชือกอเชือกเส้นเดียวยาวข้างล่างนุ่นเหลาทองเหลืองเหล็กแหลมโคตหินเดินแล้ววางเท้าทีแปะแปะแต่เชือกนี้ก็ไม่นิ่งเลยนะอโอกาสรดจากตรงนี้ไปจนถึงเก้าสิบ แต่ถ้าว่ามันสามารถไต่ไปได้จนถึงเก้าสิบนะเออเก้าสิบนี่เหมือนกับไต่ไต่หน้าผาที่บนเขาหน้าผาที่ปหาสีทันดอนเออเก้าสิบนี่เก้าสิบนี่ไต่ไต่หน้าผา ของมาธีตรหน้าผาชันอย่างเงี้ยแล้ว ก, ก็สูงมองไม่เห็นยอดอะค่อยๆไตมือก็ไม่มีจับไตไปไตไปนี่จากเก้ 90, าสิบได้แปดสิบถึงเก้าสิบพอเก้าสิบถึงร0อยนี่เาบอกว่าเหมือนเกาะเนหางมาอาชาในเกาะที่หางมามาวิ่งแลขอขอ้วก็เกาะมาเนี่ยมันควบขึ้นกองบนด้วย วิ่งเหล้วม้าตัวนี้วิ่งเร็ววิ่งมาเพาะว่าถ้าถ้าคนที่เกาะอยู่เนี่ยนุ่งผ้าสีเหลืองเหลืองเหมือนจีวรพระอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นเหลืองเหลืองเป็นวงเลยเป็นวงกลมสีเหลืองเลยความเร็วของม้าม้าอาชาในตัวนี้นี่ถ้าไม่ร่วงลงมาก็เดินกลับไปถูรอยไ <laughs> อ้ตอนนี้ ก็สี่สิบนี่เพราะว่าช่วงช่วงระหว่างสามสิบถึงสี่สิบเหมือนเราเดินอยู่บนทุ่งหญ้ากว้างแล้วมีภูเขาที่กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่สี่ก้อนเราแค่หลบหลีกให้พ้นจากการบทขยี้ของเขาสี่ลูกนี้พอก็รอดก็รอดนะรอดเข้าไปถูงห้าสิบ <ś led> จากห้าสิบก็นันแะันนี้นยืนถือหม้อน้ำมันหม้อน้ำอ่ะหยดไม่ได้หกสิบถึงเจ็ดสิบไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายมันจะไปไม่รอดเอาตอนเกาะหางมาอาชาใน เ, เพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วนะบอกตอนนี้ตอนนี้มีเวลาอยู่ก็รีบเปลี่ยนภาวนาก็อย่าจักช้า ส่วนมากก่ะเราจะเอาไอ้นี้บอนก็จะมาบอกกันแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ทํางานเก็บเงินไปก่อนตอนนี้ยังสาวอยู่ยังหนุ่มอยู่การนั้นทำงานเก็บเงินไปก่อนเดี๋ยวเดียเดี๋ย ว, ย ว, ยวพอกเกษียณแล้วเอาจริงเลยปฏิบัติทั้งวันตั้งคืนเลย <c oughs> คิดว่าถึงตอนนั้นได้ไหมที่ <c oughs> ถามดูนี้อายุเท่าไหร่ ถ้าตั้งใจตั้งใจว่าอายุรุ่นนี้แล้วค่อยมาปฏิบัติเนี่ยถามลูกดิพอถึงวันเวลาให้ลูกกัเมียไปปฏิบัติตัวเองไปไหนไม่ได้เหมือนก่อนนี่มีอยู่คนหนึ่งตอนจบมหาวิทยาลัยใหม่ๆตั้งใจเลยว่าจะบวชให้แม่แต่พอจบปั๊บมันติดได้งานเช่ก่อนก็กะว่าทำงานสักพักหนึ่งระงาณกทมนะ สำนักงานประลัดกทมเนี่ยทำงานไปพักหนึ่งกะว่าเดี๋ยวก็ลาบวชได้สมัยนั้นราชการก็ยังให้ลาบวชพอธรามท้าจะลาบวชอ้ามีเมียเถอพอมีเมียเดี๋ยวเด ย, เดยชีวิตครอบครัวเข้าร่องเข้าร้อยเดี๋ยวจะต้องบวชให้แม่ก่อนอปรากฏว่าพอทํามท้าจะบวชเอามาหน่วยหนึ่ง <laughs> อะไรหน่วยอะ <laughs> ลูก <laughs> มาหน่วยหนึ่งแล้ว เดี๋ยวเดีเดี๋ยวในอลูกมัน ไ, ไปโรงเรียนได้นะถ้ามันอยู่บ้านนะมันเป็นภาระต้องช่วยกันดูแลแต่พอลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยมันมีเวลาแล้วเดี๋ยวจะเร่งรีบราบวชได้แม่แม่ก็ยิ่งงอมทุกวันพอลูกทำท่าคนนี้ทำท่าจะเข้าโรงเรียนมาอีกหน่วยแม่ก็ต้องรอก่อนนะจะเกาะใจว่าเหลืองเกาะไม่ได้รอก่อนอพอถึงก็มาหน่อยพอทําไปทํามาอาแม่ตาย แม่ตายก็บวชไม่ได้แล้วไม่ก็ลืมไปแล้วเรื่องบวชทีนี้ตั้งใจไว้แล้วก็ทำงานอยู่มาเรื่อยๆกะว่ากัดเสียรทีนี้เอาจริงเลยนะกัดเสียรแล้วจะบวชพอว่ากัดเสียรเสร็จไอหลานบอกหลานมันเจะนน่นมันมีลูกไปมีครอบครัวใช่ไหมแล้วก็มีหลานโตเป็นนมแล้วไปเปิดร้านอาหารปูปู ป, ป, ปูออกจากงานว่างปูเดี๋ยวสมองจะฟอนะ มาอยู่กับผมนะมาปูมาช่วยทําะไรบัญชีนั่งเก็บตังค์ไปช่วยหลานเดี๋ยวช่วยหลานรักพักก่อนแล้วก็ไปบวชช่วยช่วยหลานอยู่ตั้งใจแล้วว่าจะต้องบวชก่อนอายุเจ็ดสิบนี่ก็ไปช่วยให้สานมาช่วยช่วยสมาหลานพอดพักหนึ่งว่าจะบวชวันนั้นนั่งรู้สึกวิววิวก็เป็นลมไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นมะเร็งตับระยะทุตท้ายให้ผ่านเลยทีนี้ <laughs> ตอนตอนเราไปเจอธรรมมาไปเจอขอร้องอย่างเดียวหลวงพ่อขอผมตายในผ้าเหลืองได้ไหมเปลี่ยมบาทเปลี่ยมผ้าที่วอนเปลียมอะไรแล้วนะจะบวชตรงนั้นนะ <laughs> จะบวชบนเตียงเลยเราบวชไดนะ้อยู่บนเตียงอนะที่โรงพยาบาล น, นะ <laughs> บวชได้บอกว่ามันไม่ได้บวชได้ที่ไหนเรา อ้าแล้วผ้าผมเตรียมมาแล้วเตรียมเองเลยนะผ่าเตรียมมาแล้วนึกว่ามันจะง่ายมันไม่ง่ายอย่างนั้น <c oughs> บอกว่าเอาอย่างงี้แคแล้วกันพอช่วยเหลือได้เอาบาทเอาผ้าอะไรมาเดี๋ยวจะเอาไปถวายที่วัดสังกทานเขาจะเตรียมบวชหมู่เขได้เป็นเจ้าผ้าบวชทําได้เท่านี้แหละก็เอาบาทเอาอะไรไปง่ายโยมสายนาทีพวกนี้โยมแหม่ยพวกนึกพาไปวัดสังกทานเขาเตรียมจะบวชหมู่พอดีไปถวายพอถวายเสร็จเรี๋ยวไปตาย ลงลงได้เหวินวะผัดวันประกันพุ่งเนี่ยจำไว้เฮอะพวกผัดวันประกันพุ่งน ะ, ไ, นะนงนะไม่ได้เรารอไม่ได้เราตอนนี้มือไม้แขนขาเรี่ยวแรงมีอยู่นี่แหละต้องเร่งเร่งเร่งเร่งเร่ ง, รงอะ